พึงพากันตั้งใจให้ดีํำรวมใจให้แน่วแน่อย่าทงใจไปทางอื่นอย่าง่วงเหงาให้พึงปลุกใจให้ตื่นอยู่เสมอบางคนนั่งสมที่แล้วมีแต่นั่งหลับไปเรื่อย เช่นนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรจะไปทำอย่างนั้นถ้ามันง่วงทนไม่ไหวจริงจริงลุกไปเดินจงกรมกำจัดความง่วงออกไปเช่นนี้นมันถึงได้ประโยชน์จากการภาวนาเมื่อเช่นั้นแล้วผมไม่ได้ประโยชน์ ดังนั้นต้องพากันทำตามที่แนะนำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัต ร, รารกความเพียรในอิริยาบททั้งสีก่ก็ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเมื่อมันนั่งจิตก็ไม่ส ง, งบหรือ ง, ง่วงเงาก็ลุกไปเดิน ถ้าเดินแล้วมันสบายมันแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนกลัวมันจะเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็จึงค่อยหยุดลงถ้าเดินไปมันเหนื่อยแล้วก็ยืนยืนกำหนดจิตเอาอย่างนี้แหละ ถ้ามันไม่ไหวยิงๆิก่อนนั่งวะนี่นั่งภาวนาถ้ามันไม่ไหวยิงๆิก่อนนอนแสดงว่าธาตุร่างกายมันต้องการพักผ่อนนอนใหมีสตริตรละลึกไว้เสมอว่าเมื่อตื่นขึ้นเราจะทำความเพียรอจะไม่ยินดีในการรับการนอน นี่ต้องกำหนดในใจว่าอย่างนี้แล้วหลับไปได้เวลาแล้วพระธรรมก็ปลุกให้ตื่นตื่นแล้วก็ไม่บิดขี้เกียจ ร, รีบลุกขึ้น่วยพระนั่งสมาธิภาวนาอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่เราควรทำ ไม่ทำเช่นนี้กิเลสมันก็ไม่เบาวางไปจากกิจใจกิจใจก็มัวหมองอยู่ด้วยกิเลสอย่างนั้นแหละมันก็ค้นจากทุกไปไม่ได้เราทุกคนนะมีทุกตามบีบขั้นอยู่ทุกคนแหละดังที่ได้สแสดงมาแล้ววันนั้นนะมันจะไม่บีบขั้นยังไงร่างกาย เมื่อเวลามันยังความแก่ยังไม่มาถึงน่มันก็แข็งแรงกระซุ่มกระชวยดีนี่ทันพอความแก่มาถึงเข้าแล้วร่างกายนี่มันก็ทุดโทรมลงไปดังที่เราก็เห็นกันด้วยตาอย่างคนแก่ชราเกิดก่อนหมูนั้นเราก็เห็นกันอยู่ นี่แหละความชรามันบีบคั้นเอาตาก็มัวหูก็อ้อผมก็งอกฟันก็โยกคลอนลอนไปเอาเอย่ว่าร่างกายนออใหญ่ก็ตกกระหนังก็เหี่ยวยานอันหมนี้น่ยมันเรื่องของชราความแก่ทางนั่นเลย ทุกคนย่อมได้ประสบถ้ามีอายุยืนยาวนานไปจนถึงอายุไข่เจ็ดสิบแปดสิบปีไปมันก็ย่อมปรากฏแล้วมันจะทานานอะไรเราเกิดมานี่นะไม่ทานานดอกอย่าพากันเข้าใจผิดคิดว่าเราจะได้อยู่ในโลกอันนี้ไปนาน ก็คนที่เขาตายก่อนเรา น, นั่นนะมีอยู่ท้มไปนะอายุเท่าไหร่ล่ะคำนวณดูอะไรที่จะถึงเจ็ดสิบก็มีน้อยนะนั่นแหะอย่างมากก็อายุหกสิบกว่านี่ก็ไปแล้วห้าสิบกว่าไปแล้วก็มี ม, มันไม่ทันที่ จะได้สวยสุขอันเกิดจากความมุ่งวาดปารธนานั่นเลยอยากจะรวยทรัพย์มากมากอย่างนี้นะมันไม่ทันกับเวลาหาไปหาไปมันความเก็บความตายมาถึงเข้าจะแล้วมันก็เลยไม่ร่ำไม่รวยได้อไออย่างนี้เนี่ยมันมีอยู่ในตัวของคนเรา ภัยอันตรายต่าง ๆ, างๆมันบีบคั้นร่างกายกิเลสมันเป็นบีบคั้นทางจิตใจบ้านี้ให้คิดดูอัไม่ใช่ได้อยู่กับเป่าเนี้ย้ายกับใจเนี่ยผู้ใดไม่เพียรละกิเลสผู้นั้นก็ถูกกิเลสมันมีอิทธิพลเหนือจิตใจบีบบังคับจิตนี้ให้คิดไปในทางบาปอาคูส ขึ้นชื่วกิเลสแล้วมันไม่ยอมส่งเสริมให้จิตใจของคนพอใจในการทำบุญกุศลพอใจในการปฏิบัติธรรมมันไม่ให้พอใจแล้วเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระโอษเจ้าก็แสดงแล้วมันไม่ใช่มันจะเป็นเหตุให้เกิดสุขดังนั้นเมื่อมัน มีชื่อว่าอย่างนั้นแล้วผู้ใดสรองผู้ใดสั่งสมกิเลสให้มากขึ้นกิเลสมันก็มีอิทธิพลบังคับจิตใจให้ยินดีพอใจไปในทางอากุศลกามวิตกพยาบาทวิตกวิิงสาวิตกอันนี้ท่านเรียกว่าจิตใจมันตกไปทางอากุศล เพราะฉะนั้นเน่ะก็ให้พากันสังเกตดูจิตใจตัวเองว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมถ้ามันเป็นอย่างว่านี่เราก็จะไปนิ่งนอนใจให้เร่งความเพียรเข้าไปตั้งสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ก็ยังสติเข้าไปหาความรู้อันนั้นแหละส่วนมากสติมันลึกไปทางอื่นนูน่นมากกว่าที่มันจะระลึกเข้ามาหาดวงกินนี่ให้สังเกตตัวเองเมื่อเห็นว่าเป็นความจริงแล้วก็เอาแหละพยายามทวนกระแสจิตเข้ามาเสมอ ถ้ามาถึงความรู้สึกอันนี้ย อ, อยู่ภายในท่ามอกกลางอกกันแล้วมีสติประคองความรู้สึกอันนั้นไว้พร้อมกับกําหน ด, ดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ความจริงเนะี่ยถ้าหากสติมันอย่างเข้าไปถึงจิดเล้วมันรู้ได้เลยนะรู้ตัวอะไระรู้ว่าจิตใจของตนอยู่ไงเป็นยังไง ที่มันรู้ตัวไม่ได้ก็เพราะสตินี่นะมันห่างจา ก, กจิตมันระลึกไปในอารมณ์ต่างๆภายนอกนูน่นแ่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นอย่าไปยอดข้อต่อความเพียรเพราะว่าถ้าเราไม่ภาคเพียรพยายามในชาตินี้ชาติต่อไปก็ต้องได้ภาคเพียรอีก หรือไม่ได้ภากเปียนในชาติต่อไปชาติต่อๆไปนั้นมันก็ได้ภาคเปลี่ยนลากกิเลสตัณหานี่แหละถ้าผู้ใดไม่คิดที่จะทำความภาคเปียนปฏิบัติเพื่อลากกิเลสตัณหานี้ผู้นั้นก็ไม่พ้นทุกข์ได้สักทีได้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏสงสารนี่ ที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่นก็ไม่ได้สัมผัสแล้วไม่ได้ลิ้มรสแล้วขณะเมื่อมันเป็นทุกข์ทนทรมันอยู่อย่างนี้แล้วมันจะมีดีอะไรแล้วการเกิดอยู่ในโลกอันนี้คิดดูให้ดีไอ้โลกอื่นที่มันสวยสนก้นงามกว่านี้มีอย่างสวรรค์นี่ ร่างกายของเทวดาละเอียดอ่อนมากเมื่อมันละเอียดอ่อนนะมันก็มีความสุขซี่ไปเกิดขึ้นนะบุญกุศลที่เพิ่นสร้างมานะมันก็อำนวยความสุขความสะดวกสบายให้แต่ผู้ที่ไม่ได้ภาวนาไปแต่เป็นมนุษย์โลกเนี่ยมักจะหลงติดอยู่ในความสุขของเทวดา แต่ไม่คิดถึงความทุกข์ไม่คิดถึงคุณพระรัตนไกลแก้วสามประการได้เพราะว่าจิตใจมันตกเป็น่าตแห่งตัณหามันไปมัวแต่ยินดีในความสุขสัมผัสอันเกิดจากกายกับจิตที่มันละเอียดอ่อนและมันอาศัยกันอยู่เนี่ยให้พากันพิจารณาดู ความจริงแล้วการละกิเลสก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องยุ่งยากเกินประมาณจนว่าไม่สามารถที่จะละมันได้ว่าแต่ขอให้มีสติยังเข้าไปหาจิตจะดังที่กล่าวมาแล้วนั่นนะควบคุมจิตคือความรู้สึกนั้นให้หยุดนิ่งอยู่อย่ามาคิดใส่ไปสายมา ยันนี้ไม่นานปัญญามันก็ย่อมเกิดขึ้นแหละมองเห็นสังขาร น, นามรูปวันนี้ว่าเป็นอริจังทุกขอังอนัตตาไปทุกเมื่อทุกเวลานาทีไปเลยแล้ววันนี้ใจนี่นะ่ะเมื่อเมื่อถึงเวลาแล้วมันก็แฝงเหมือนกันนะถึงเวลาคิดไปโน้นอนี้มันก็คิดไป ถึงเวลามันหยุดอยู่มันก็หยุดตามธรรมชาติของมันแนะบบนี้เรามาเพียนพยายามอย่าให้มันคิดประําประลาไปมันไม่มีประโยชน์เดี๋ยวก็จิตฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านขึ้นแล้วบรรดากิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายมันได้ทีมันก็เอาเราแทรกแทงเข้าไปครอบงามจิตให้มัวหมอง ให้มันชอบไปตั้งแต่กรมคุณเมถุนสังโยชน์ไปอย่างนั้นแน่ทีเนี่ยเนี่ยต้องระวังให้ดีไอการเป็นนักบวชนี่นะถ้าไม่ภาวนาเห็นโทษของกิเลสแล้วไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยคารืหัสเขายัางมีกำลังเรียวแรงสเสวงหาเงินทอง เขาของได้มาแล้วเขาก็ยังมีจำแนกเกทานก็เป็นบุญเป็นกุศลของเขาเขายังมีไหวพระภาวนาอนานบวชเรานี่น่ะไม่ได้หาเงินไม่มีเงินมีทองที่ไหนจะมาทำบุญสุนทานได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ได้ชื่อว่าไม่ได้ทำบุญอะไรนี่ คนจนคนมีบุญน้อยส่วนนักปวชนี่ไม่เป็นเช่นนั้นสำรวมตนในพระธรรมวินัยด้วยดีสำรวมกายวาจาไม่ล่วงทำล่วงวินยัยสำรวมใจของตนให้ประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาเบิกขานี่สำรวมใจของตนให้อยู่ในพรภมุญหารสี่เนี่ย มันถึงจะไม่โกรธไม่เกลียดใครต่อใครผมโกรธมันจึงครอบงำจิตใจไม่ได้ให้พากันกระทําในใจอย่างนี้อย่างที่สอนมาแล้วนั่นแหละเทศมาแล้วอย่าพากันประมาทผู้ดใดประมาทในทำคําคสอนของมุติเจ้าไม่มันพยายามน้อมเข้ามาสู่กายสู่จิตของตนผู้นั้นแหละชื่อว่าเป็นผู้ประมาท ผู้นั้นก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้จริงๆหลงว่างอยู่ในวัฏสงสารนี่แหละเพราะสวรรค์นั่นน่ะมันบุคคลผูก้กระทำความดีให้เข้าขั้นนั่นแล้วรักษาความดีไว้ได้ตลอดชีวิตอย่างนี้นะโดยเฉพาะศีลห้าประการนั่นน่ะผู้ใดรักษาให้บริสุทธิ์ได้แล้วก็มาภาวนา สำมรวมจิตใจให้แน่วแน่อยู่ในบุญในคุณพยายามสำมรวมระวังกิจตรงนี้ให้มันยินดีพอใจในความบริสุทธิ์คือในความไม่มีบาปในความไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอันนี้ควรยินดีแท้ๆถ้าผูใ้ใดยินดีไปในการเบียดเบียนบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นแล้ว มันก็พ้นทุกไปไม่ได้เลยหรพ้นจากทุกในนรกหรืออบายภูมิไปไม่ได้เลยนี่นะให้พากันกลัวไว้นะถ้าบุคคลมากลัวต่อนรกอบายภูมิอย่างว่านั้นได้ผู้นั้นนะก็สามารถที่จะเพียรละบาปได้เลยแล้วก็ไม่ส่งเสริมบาปให้เกิดขึ้นในใจเพราะว่าตนนั้น มองเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เช่นนั้นเป็นความจริงพระองค์ไม่หลอกลวงคนอย่างนี้เมื่อรู้สึกตัวขึ้นอย่างนี้ได้นั้นก็คลายความประมาทออกไปจากตนนี่ตั้งสติสำรวมใจอยู่เสมอมันจะยากลำบากอย่างไรก็ ก็ต้องทำเพราะงานอื่นยากกว่านี้ยังทำได้ฉะนี้งานสำรวมจิตใจเพี่งใจเข้าถึงความสงบอย่างนี้ทำไมจะทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นบรรบัญชิละสิเราต้องคิดสอนตัวเองเตือนตัวเองอย่างนี้มันก็จึงค่อย หายจากความประมาทอไม่เช่นนั้นละมันก็ไม่หายจากความประมาทคนเราน่ะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสภาษีไว้ว่าปมาโดมัจจุโนผดังความประมาทเป็นทางแห่งความตายแน่นอนทีเดียว เดินตามถนนน้นทางไประวัตระวังรถลาวิ่งไปมามันเหยียบเอาทับเอาตายอย่างเนี้ยตัวตายแล้วถึงแม่คนรถเขาจะถูกว่องร้องจะจับติดตารางตนก็ไม่รู้อะไรตนตายไปแล้วนี่เขาติดตารางมาแต่เขายังมีวันจะออกได้ตัวเองตายไปแล้วไม่มีวันจะเกิดอีกได้ง่ายๆ เพราะว่าบางคนไปทำบาปไว้อย่างนี้นะบาปก็นำไปสู่นรกเสียแล้วจะได้เกิดมาเป็นคนง่ายๆนะไม่มีด้วยเหตุนี้แหละให้พึ่งพากันชื่นชมยินดีในสวรรค์ในพระนิพพานไว้เสมอเสม อ, อม สวรรค์นั้นมีความสุขยิ่งกว่าความสุขในมนุษย์ที่หลายร้อยเท่าให้เข้าใจแต่บางคนก็อาจจะว่ามาแน่นาให้จะไปสวรรค์ไม่ทราบว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนนี่ก็เคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่แล้วสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจถ้าหากว่าสวรรค์ไม่มีอยู่ในอกในใจนี่สวรรค์โลกหน้าก็ไม่มี หรือว่าถ้านรกไม่มีอยู่ในใจนรกในโลกหน้าสำหรับผู้นั้นก็ไม่มีเนี่ยที่ในไตรโลกวิฐานท่านทำเป็นเรื่องพุทธวิสัทนาไว้ว่านรกนั้นอ่ะใครไปสร้างไว้แล้วก็ต้องตอบว่าไม่มีใครสร้างกรรมของสัตว์ผูใ้ใดทำกรรมชั่ว กรรมชั่วไปสร้างให้อยู่ท่านวากรรมชั่วแต่ละบุคคลที่ทำนั่นแะไปสร้างให้อยู่เพราะฉะนั้นนรกมันจึงไม่รู้จักเต็มนั่นแหละแต่ถ้ามันตกหลายๆเขามันยัดเจียดกันทันว่าบาปกรรมนั่นนะ่ะมันจะไปตกแต่งนรกให้ขยายนารกที่มีอยู่แต่ก่อนให้กว้างออกไปอีก ให้พอกับสัตว์ตรกที่ไปตกลงไปในนรกนั้นอย่างนี้นะแล้วโยมบาลก็จับสั์ลงไปในนรกนั้นน้ำร้อนรวกไฟเผาเป็นจุลวิชจนไปเมื่อก ร, รมยังไม่สิ้นผดกรรมมาตกแต่งให้เกิดรูปอนันนันมาแล้ว ตกแต่งให้จิตไปอาศัยในรูปนั้นจะนี้ก็นีไม่ได้มีแต่ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นนี่นะเพราะนั้นให้พากันพิจารณาดูให้ดีเพราะพุทธเจ้าไม่ได้โกหกใครอ่ะดะ น, นั้นเมื่อเราเบื่อหน่ายในนรกไม่อยากไปตกนรกหมกไม่อยู่นมนานมันก็มองพยายามเว้นจากกรรมมันชั่วใ้เสีย แม้ว่าจะอดอยากไม่มีจะกินอยู่บ้างก็าตา ม, มนันมีกำลังเรียวแรงดีอยู่ก็พอหาได้คนมีศีลมันมีปัญญามีปัญญาที่จะหลีกเลี่ยงจากการกระทำบาปทำด้วยตนของตนเองนี่นะเมื่อบุคคลมาพยายามฝึกใจไม่ให้เกาะไม่ให้คล้องอยู่ในโลกนี้แต่ว่าบุญบา ร, รมียังไม่เต็ม มันก็ไปเกิดสวรรค์แะไรแบนี้นะเพราะจิตมันไม่ห่วงอยู่ในโลกนี้แล้วนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อมันยังไปพระนิพพานยังไม่ได้ก็ไปเสวยสุขอยู่ในสวรรค์นั่นหลายมากกว่าความสุขในมนุษย์หลายน้อยหลายพันเท่านี่เราจะกลัวอะไรความเกิดถ้าหากว่าเราทำดีเราทำละกายวาจาใจของตน ให้มันสะอาดปราศจากปราบประมกรรมมันชั่วแล้วแล้วมีจิตใจตั้งมั่นในกองการกุศลดังที่กล่าวมานั่นไงใจไม่ตกไปทางอากุศลใจมั่นอยู่ในกุศลธรรมเมื่อใจมั่นอยู่ในกุศลธรรมภายในแล้วเมื่อก็พิจารณาเห็นร่างกายนี่สิเพราะมันอาศัยอยู่ร่างกายนี้ตลอดเวลานี้ แต่เมื่อใจไม่สงบแล้วมานั่งไม่มองเห็นเท่านั้นแหละถ้าใจตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณแล้วมันก็มองเห็นร่างกายนี่มันสำรุดทุดโทมมันวิบัตแปรปวนอยู่อย่างนั้นเสมอๆ เ, เลอร่างกายนี่มันสกรปรกโสมอ ม, มต่งางนานามันนี่นะมันมีอยู่ให้รู้ให้เห็นอยู่แต่ว่าจิตนี่มันเพลินส่งใจไปข้างนอก แล้วมันมองไม่เห็นมันไม่มันไม่พิจารณามันจึงไม่เห็นจึงหลงสำคัญว่าขันธ์หน้าอามรูปร่างกายอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนไปมองเห็นบุคคลอื่นก็ว่าเป็นบุคคลอื่นไปไม่มองเห็นด้วยสภาวธรรมอย่างนี้นะมันมันมันไปสวรรค์นิพพานไม่ได้ก็เพราะมันมองไปในแง่ติดอยู่ในสมมติ แต่แล้วความจริงไม่มีอันใดที่จะเป็นสมบัติของตนสักหน่อยหนึ่งไม่มีร่างกายทุกส่วนเป็นสมบัติของโลกเกิดก็เกิดอยู่กับโลกนี่แตกดับทําลายโคตะแตกแตกดับแตกดับทําลายลงสู่โลกอันนี้ส่วนจิตใจสิถ้าทํากรรมชั่วกรรมชั่วมันก็นําไปสู่นรกอบัยภูมิอย่างว่านั่นเองถ้าทํากรรมดีกรรมดีมันก็นําไป เกิดในที่สุขสบายจะไม่ใช่สวรรค์ก็ตามเลยถ้ามันไปเกิดที่สุขสบายแล้วมันก็ใช่ได้นี่ได้พา ก, กันคิดให้ดีความสุขมันไม่ใช่มีแต่มนุษย์โลกนี้เท่านี้โลกอื่นยังสุขยิ่งกว่านี้มีอยู่อยากรู้จักก็ทำใจสงบสีิเมื่อใจสงบระงับลงไปแล้วมันก็เบิกบานผ่องแผ้ว เมื่อทำใจสงบได้อยู่นี่เรื่อยไปจนถึงวาระสุดท้าย่างชีวิตจิตก็ยังมั่นคงอยู่ในบุญในคุณอย่างนี้น ะ, อะพอจิตละออกจากร่างอันนี้ไปบุญกุศลนี้ก็เป็นญาณพาหานะนำไปเกิดที่สุขสบายจริงๆเนี่ยถ้าถ้าสร้างสวรรค์ขึ้นในอกในใจนี่ได้แล้วนี่ละโลกไปนี่ละโลกนี้ไปแล้ว สวนร์นี้มันก็อยู่โลกหน้าและวันนี้คือบุญกุศลนำจิตให้ไปปฏิสนธิในรูปของเทวดาอมันเป็นอย่างนั้นมีอายุยืนยาวนานตั้งพันปีทิพย์สองพันปีทิพย์นุ่นสถานที่สร้างบุญบา ร, รมีคือพระเกตแก้วจุลมณีเจดีวันแปดคำ่ำสิบห้าค่ำเทวดาก็ตังต้นก็ตัง ไปสู่สถานที่พระเจดีย์ดังกล่าวมานั้นได้ดอกไม้ทูกเทียนวินทิศไปบูชากราบไหวเดินเวียนเทียนมัทเิ็แล้วก็ขึ้นไปศาลาธรรมสภาศาลาอันที่เป็นที่ประชุมของเทวดาทั้งหลายมีพระยาอินเป็นประธานพระยาอินก็จะหาอุบายตักเตือนสั่งสอนเทวดาเหล่านั้น ให้ไม่ให้ประมาทเพราะชีวิตของเราอยู่สวรรค์นี่อย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันจะอยู่ยั่งยืนนานไปตลอดไม่ได้หมดบุญเก่านี่แล้วมันก็แตกดับทําลายลงไปเท่านั้นเองเนี่ยมันก็ไปหาคนบุญนี่เมื่อมันแตกดับทงลายก็มาเกิดในโลกนี้แหละไม่ไปที่อื่นหรอกก็เกิดแล้วก็มาสร้างบุญบา ร, รมีให้แก่กล้าจนกว่าจะเต็มบริบูรณ์ นี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อทราบแล้วขอให้พากันฝึกใจของตนให้แน่วแน่ควบคุมรักษาจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณจเจริญปัญญาแยบคลายอุบายสอนใจเสมอเสมอนี่แหละจะเป็นทางพ้นทุกข์ภายในสงสารดังแสดงมา